ภาวนาศึกษากันมาพอสมควรแนละ้วต้องดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าแต่ตัวเราต้องไม่เนิ่นช้าด้วยนะธรร ม, มนะอ่ะดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราภาวนาไม่สมควรแก่ธรรมะ ม, มันก็ไม่ได้พยายามมีสติให้มันต่อเนื่องไปได้ติดต่อนะทีทีบ่อยๆ เครื่องมือสำคัญเลยคือมีสติขาดสติก็คือหมดแล้วไม่มีการปฏิบัติแล้วสติจำเป็นหลวงปู่เทศเคยสอนสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพยายามมีสติไว้คนในโลกก็ชอบพูดคาว่าสติ น, ะนจริงๆไม่มีหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละหรือชอบพูดคาว่าปัญญาจริงๆไม่มีหรอก มีปัญญาจริงต้องพ้นทุกปัญญาอย่างอื่นก็ปัญญาโลกโลกไม่พ้นทุกข์แลสติเหมือนกันถ้ามีสติตัวจริงนะจะรู้สึกตัวจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจะรู้สึกได้ไม่หลงเลื่อนลอยไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทวดามนุษย์ใจเลื่อนลอย ก็ลอยไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเลยโ่มก็ใจไปแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ได้มาดูกายดูใจจริงสัต์นรกใจก็เล้าอยู่กับความทุรนทุรายมีแต่โทสะมีแต่ความทุกข์เบียดเบียนอยูนะ่ในจิตใจไม่มีสติมารู้กายรู้ใจตัวเอง mm hmm. เฟรดมันก็มีแต่ความโลภไม่ย้อนมาดูกายดูใจตัวเอง ในภพภูมิทั้งหลายเนะี่ยไม่มีย้อนมาดูกายดูใจง่ายๆ ย, ยิ่งอัปยภูมิเนี่ยไม่มีเลยสัตว์เดรัจฉานนะก็หลงเมืมอไปทั้งวันพากเราเห็นไหมสัตว์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธนะแล้วก็หลงพื้นเดิมคืหลงสัตว์นรกในพื้นเดิมคือกโกรธโทสะไม่แช่มชื่นใจพวกเรสพื้นเดิมคือความโลภพวกอสุรากายก็พื้นเดิมคือเจ้าทิฐิ เจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดความคิดความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ยุคนี้เยอะนะว่าที่อสุรกายเยอะมากเลยเราถูกสอนให้เชื่อมั่นในความคิดความเห็นตัวเองเยอะมากนี่แหละระบบการศึกษาว่าที่อสุรกายบ้านเมืองมันถึงได้ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไห ม, มเห็นไหมมีแต่เปลตอกขออสุรกายเต็มบ้านเต็มเมืองโลก อยากใหญ่อยากได้ผลประโยชน์นี่พวกเบลตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นความคิดความเห็นขัดแย้งกันก็ฆ่ากันพวกอสุรกายนะบ้านเมืองมันจะหาความสุขความสงบยากนะมันอยู่ในภูมิของอบยภูมิเนี่ยสัตว์ในภูมิต่างๆนะมันไม่ได้มีสติจริงมนุษย์นี่ก็ไม่มีสติจริงนะหาคนที่จะรู้สึกตัวได้ น, ะนับตัวได้เลยน้อยเต็มทีเลย ถ้าไม่ได้เคยศึกษาธรรมะมาก่อนนะไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรนะี่ยากเหลือเกินที่จะเกิดสติขึ้นมางั้นเราจะหลงวนเวียนไปในภูมิต่างๆไม่มีที่สุดหรอย้ายบ้านไปได้วนเวียนไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นเทวดาก็เพลินเพลินหลงหลงไปมีแต่ความสุขเผลอเพลินเป็นพลมก็นั่งแช่ไปสบายสงบสบาย ไม่ย้อนมาดูความจริงของกายของใจทีเราเนี่ยมีบุญนะพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนะบุญทั้งหลายประกอบด้วยสติทั้งนั้นแต่เป็นสติธรรมดาสติอยู่กับโลกอย่างคิดถึง อยากจะมาฟังธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์อยากมาฟังธรรมอยากใส่บาทอยากทำบุญเหนะล่านี้เป็นบุญทั้งนั้นมีสติจะเป็นสติโลกโลกนะมันจะพาให้เราเวียนไปในภพภูมิที่ดนะีได้เท่านั้นแหละอยากมาฟังธรรมมีความสุขใช่ไหมไม่ได้ภาวนาต่อมาแล้วก็มีความสุขกลับบ้านไปไม่นานความสุขหายไปอีกละทงนะต้องมาอีกนะมารับกระแสบุญกระแสของความสุข มาเจอหลวงพ่อมาเจอเพื่อนสหธันมิกนะแต่และคนใจบุญใจกุศลอ่ไงเงี้ยมาเจอแล้วใจเรามีกำลังขึ้นมาแต่อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาสติของเรานะให้มันเป็นสติปัฏฐานจริงๆสติที่ย้อนมาดูกายดูใจให้ได้จริงๆพยายามเข้านะทำยังไงสติจ ะ, ะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจได้ต้องหมั่นรู้สึกกายรู้สึกใจนะ คอยนึกถึงกายคอยนึกถึงใจตัวเองนึกถึงว่าตอนนี้มันเป็นยังไงร่างกายตอนนี้หายใจออกก็รู้สึกร่างกายตอนนี้หายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายตอนนี้ยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึกร่างกายคู้ร่างกายเหยียดร่างกายเหลียวซ้ายแลกวาร่างกายขยับมือร่างกายกินข้าวร่างกายพูดร่างกายไหว้พระสวดมนตร์ร่างกายขับถ่ายคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อย ่ก่อนหลวงพ่อพุธชอบสอนนะใครเคยรู้จักใครเคยเรียนกับหลวงพ่อพุธบ้างมีไหมยังมีบ้างมัมยุคนี้เริ่มเหลือน้อยแล้วนะนเสียดายครูบาอาจารย์เก่งๆสิ้นไปเยอะแล้วหลวงพ่อพุธชอบสอนนะว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติเป็พวกเรานี่แหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดใครรู้สึกได้คิดก็ใครรู้คิดนด้จะรู้ทันจิต ยืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำอันนี้ทางร่างกายนะพูดก็ทางร่างกายแต่พูดได้ก็เพราะว่าใจมันคิดใจคิดนี่เป็นเรื่องทางใจใจจะคิดได้บางทีก็อาศัยกายอาศัยตาไปมองเห็นตาเห็นสาวคนนี้ใจก็คิดไปอย่างนี้อย่างนี้มีราคะขึ้นมาตาเห็นให้คนนี้ไม่ชอบใจโทสะก็เกิดอาศัยรูปบางทีก็ทําให้เกิดนมามธรรมขึ้นมา อาศัยนามาทําคืออาศัยจิตใจก็สั่งให้รูปเคลื่อนไหวสั่งให้ปากพูดเช่นความโกรธเกิดขึ้นในใจก็สั่งให้ปากด่ารูปธรรมนามธรรมมันอิงกันอยู่แล้วเราค่อยมีสตินะค่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายคอยรู้สึกอยู่ในจิตใจตัวเองบ่อยๆแรกๆมันไม่ค่อยรู้สึกหรอกมันเคยชินที่จะหลงเคยชินที่จะหลงเผลอเผลนไปทุกวันทุกวันไม่รู้สึกตัวค่อยๆหัดนะ ยืนเดินนั่งนอน ค, ค่อยรู้สึกเอาหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกรู้สึกอยู่ที่ตัวเองนี่แหละใจมันคิดใจมันนึกใจมันปรุงใจมันแต่งก็ค่อยรู้สึกมันะ ค, ะคิดเรื่องนี้เกิดกุศลก็รู้ทันคิดอันนี้เกิดอกุศลก็รู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันกุศลอกุศลที่เกิดไม่ใช่รู้ทันเรื่องที่คิดคนทั่วๆไปคิดอะไรก็รู้อยู่นะรู้เรื่องที่คิดอันนะั้นไะม่ในชะ่การปฏิบ <c' unun S 2> <c' S 1> ัติหรอก เป็นเรื่องธรรมดาหมามันคิดมันก็รู้นะมันคิดอะไรคนคิดก็รู้ว่าคิดอะไรเปรลืลกสุรกายมันคิดมันก็รู้ว่าคิดอะไรแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดให้เรารู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันจิตมันไปคิดเรารู้ทันจิตมันทำงานแล้วไม่ใช่รู้เรื่องเรื่องราวนั้นเป็นสมมุติบัญญัติรู้ว่าจิตกำลังไหลไปคิดจิตกำลังหลงรู้แล้วมันได้อะไร หัดรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตมันจําสภาวะได้แม่นอย่างมันจําสภาวะหลงคิดได้แม่นนะต่อไปพอจิตหลงคิดปุ๊บสติเกิดเองเลยสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ว่าหลงคิดไปแล้วนะสติระลึกได้อย่างเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็จะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของร่างกายนะไม่ใจลอยเวลาที่เราใจลอยเราจะมีร่างกายเราก็ลืมมันไป จิตใจเรามีเราก็ลืมมันไปเนะนื่งมันไม่มีสตินะใจเลื่อนลอยไปถ้าเรามีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึ ก, สกหายใจเข้ารู้สึกหัดรู้สึกบ่อยๆพอหัดรู้สึกบ่อยๆต่อไปพอร่างกายขยับนิดเดียวนะกำลังเผลอๆอยู่ดีๆเนี่ยร่างกายขยับนิดเดียวก็รู้สึกแล้วนะจะรู้สึกได้เอง จิตใจก็เหมือนกันนะสุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้เฉยๆก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้โลภหายไปก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้โกรธหายไปก็รู้ใจลอยไปก็รู้รู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้เป็นยังไงก็รู้เรื่อยๆรู้จนจิตจำสภาวะแม่นจะเห็นเลยจิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ว่าอารมณ์นั้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนะช่นความโกรธคนไหนขี้มโมโหนะดูความโกรธก็เห็นความโกรธบ่อยๆขี้โมโหคนไหนขี้โลคเนี่ยก็อยากโน่นอยากนี่ตลอดเวลานะเราหัดดูจิตตัวใจเราก็เห็นความอยากเกิดขึ้นถี่ยิบเลยต่อไปจิตมันจําได้คนไหนขี้โกรธก็จําความโกรธได้แม่นเห็นบ่อยคนไหนขี้โลคก็จําความโรคได้แม่นมันเห็นบ่อยคนไหนฟุ้งซ่านบ่อยนะหัดรู้ทันว่าฟุ้งซ่านบ่อ ย, อยๆก็จําความฟุ้งซ่านได้ ต่อไปไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดนะพอฟุ้งซ่านปุ๊บสติรู้เองเลยะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะเนี่สติของจริงนะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้แต่ต้องฝึกค่อยฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยวันหนึ่งจิตมันจําสภาวะแม่นพอสภาวะเกิดนะสติเกิดเองเลยไม่ต้องเจตนาจะเกิดหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นไปกราบหลวงพ่อเทียน ได้ยินชื่อเสียงท่านว่าท่านเป็นพระดีไปวัดสนามไหนไอ้ถึงเห็นท่านกำลังสอนโยมอยู่ศาลาท่านแคบๆนะยาวๆเป็นไม้น่นนะเห็นท่านสอนแค่ขยับมือเสร็จแล้วเราก็แยกไปนั่งพอนางเราแต่วันนั้นยังไม่ได้ขยับนะตอนไปนั่งเนี่ยไปนั่งดูจิตกลับมาบ้านแล้วมาลองขยับอย่างหลวงพ่อเทียนดูขยับอยู่วันสองวันนะมีอยู่วันหนึ่ง เดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนมันเดินมาอยู่คนละฝั่งถนนนีพเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วพอเห็นแล้ ว, ด, ว ด, นะดีใจไม่รู้ว่าดีใจนี่ขาดสตินะดีใจไม่รู้ว่าดีใจก้าวขาไปขยับเท้าจะข้ามถนนไปคุยกับเพื่อนพอเท้าเคลื่อนไหวท่านร่างกายเคลื่อนไหวเท่านสติเกิดเองเลยรู้สึกตัวขึ้นมาว่าอ้าวเมื่อกี้มันหลงไปนะแกะใจลอยไปไหมเราหัดรู้สึกเคลื่อนไหวแล้ว ร, รู้สึกเคลื่อนไหวแล้ว ร, รู้สึกต่อไปเวลาเราเคลื่อนไหวแบบเผลอๆนะมันจะเกิดรู้สึกขึ้นมา เราหัดดูจิตดูใจเหมือนกันจิตมันโลภโลกรธหลงเราค่อยรู้เรื่อยต่อไปพอจิตมันโลภขึ้นมาเราก็รู้จิตมันโกรธขึ้นมาเราก็รู้รู้เองเนะนี่ยเราต้องฝึกนะจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นถึงจะใช้ได้จริงถ้าสติอัตโนมัติยังไม่เกิดยังทํำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนะมันจะคอยคิดอยู่เรื่อยเลยเช่นความรู้สึกเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอะไระเกิดขึ้นนะต้องมานั่งถามตัวเองไหนไหนตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไองอนนี้สติไม่ได้เกิดหรอก อย่างนี้อะไรเกิดฟุง้งซ่านความสงสัยเกิดขึ้นสติไม่ได้เกิดงั้นเวลาสติเกิดก็เกิดเองเลยเกิดเองรู้เองนะไม่ใช่ต้องมานั่งถามตัวเองตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงอย่างมาถามหลวงพ่อนะหนูภาวนาตอนนี้หนูรู้หรือหนูคิดก็หนูคิดอะสิหนูรู้หนูไม่ถามหรอกนะง่า ย, ยานิดเดียวเลยไม่คำตอบไม่ใช่อัศจรรย์อะไรหรอกนะหนูคิดนันแหละ ถ้าเมื่อไหร่สติตัวจริงเกิดนะไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดเองจะเกิดได้เองนะจิตต้องจําสภาวะได้แม่นงั้นหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะแล้วสติจะเกิดพอนะเราหัดสติเกิดเองได้ต่อไปเราฝึกอีกตัวหนึ่งสมาธนะิถ้ามีสติกับสมาธิเนี่ยจะเดินปัญญาไดนะ้ถ้ามีสติอย่างเดียวจะไม่เดินปัญญานะเช่นจิตเราไหลไปเรารู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นเราก็อยู่อย่างนั้นเลยนะ ไม่เดินปัญญาต่อเดินปัญญาไม่ได้ไม่เป็นนั้นมีสติอย่างเดียวนี่จะได้อย่างมากก็ได้แค่ความสงบนะได้เป็นคนดีได้เป็นอะไรเพราะอะไรกิเลสเกิดขึ้นนะไปรู้ทันมันได้ใจสงบได้เหมือนกันนะแต่ต้องมีปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษนะ์พวกเราจำเลยนะปัญญาปัญญาจากการภาวนาเนี่ยเห็นไตรลักษ์ ปัญญาจากการคิดพิจรารณาธรรมะอะไรนะั่นก็เกิดความรู้ความเข้าใจไปส่วนปัญญาของการภาวนาเนี่ยจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะก็คือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจตัวเองนั่นแหละดูของตัวเองไม่ดูของคนอื่นหรอกมีคนชอบมาถามนะสมัยก่อนชอบมาถามว่าดูกายคนอื่นได้ไหมนะกายคนอื่นแสดงไตรลักษณ์ไหมแสดงดูแล้วเป็นมิจัสนาไมเป็นแต่ว่า ไม่ค่อยจะล้างกิเลส จ, จริงหรอกทายากดูกายคนอื่นนะมันจะเห็นว่าเขาสวยเ้างามหรือไม่ไปดูเขาก็ว่าเขาไม่สวยไม่งามส่วนตัวเองเนี่ยสวยงามเลือเกิน่นะรู้สึกอย่างนั้นนะงั้นดูที่มันเป็นตัวเราตัวเราไว้ดูไปเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะถ้าล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ถึงจะเป็นพระโสดาบันได้ปัญญานะปัญญาเนี่ยให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานี่แหละ อะไรประกอบเป็นตัวเราก็ขันห้าประกอบกันเป็นตัวเราพูดภาษาไทยง่ายๆมันเรียกว่ากายกับใจจริงๆคำว่ากายกับใจไม่ตรงกับคำว่ารูปนามทีเดียวแต่ว่าอนุโลมไปก่อนนะบางคนบอกเรียนอภิธรรมมาบอกหลวงพ่อทำไมไม่ใช้คำว่ารูปนามบอกใช้คำนี้คนกลัวแล้วเดี๋ยวไม่กล้าภาวนาจะให้ไปรู้รูป เดี๋ยวมาถามหลวงพ่อว่ารูปเป็นยังไงเราบอกรูปเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกรูปมี28รูปเนี่ยงั้นไม่ตรงอัพิธรรมีรวมความรสชาตินี้ไม่ได้พอหนานะหมวแต่ตกใจกลัวงั้นเราใช้คําง่ายๆไปก่อนนะรู้สึกกายรู้สึกใจกายไม่ตรงกับคําว่ารูปทีเดียวทนะลุ ก, กายเข้าไปถึงจะเห็นรูปอย่างร่างกายเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเป็นร่างกายเราใช่ไหมเป็นส่วนประกอบในร่างกายใช่ไหมผมไม่ใช่รูปอะไรคือรูป ธาตุดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันเป็นผมต่างหากคือรูปเนี่ยแรกๆเราเห็นกายนะยังไม่เห็นรูปหรอกนะต้องฝึกกันไปช่วงหนึ่งถึงจะมองทะลุสิ่งที่เรียกว่ากาย เ, ยเข้าไปเห็นรูปได้หรือคําว่าใจก็ไม่ใช่แทนคําว่านามได้นา ม, มาธรรมไม่ใช่มีแค่ใจใจเป็นแค่ธรรมชาติรู้อารมณ์คำว่าจิตคําว่าใจนะคำว่าวิญญาณมีแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์มีความหมายอย่างเดียวกันแต่ใช้ในคนะที่เท่านั้นเอง คืธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างวิญญาณเนี่ยใช้เวลาไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรเนี่ยพวกนี้พวกวิญญาณรับรู้ความรู้สึกสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจอันแรกนะเป็นวิญญาณทางใจนั่นมโนวิญญาณตัวใจนะเป็นตัวชัดยากแล้วอย่างตัวมโนตัวใจแท้ๆนะจิตบางชนิดนะจิตที่ทนะําหน้าที่รับอารมณ์ย่งรับอารมณ์ มีอยู่ไม่มากอ่ะส่วนมากแค่เป็นตัวที่เรียกว่าจิตเที่ยวเสวยอารมณ์ต่างๆ้เราไม่ต้องไปเรียนมากขนาดนั้นนะเห็นไหมถ้าพูดมากแล้วน่ากลัวชาตินี้ไม่ภาวนาหนีดีกว่าหลวงพ่อเลยพูดง่ายๆว่าใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่ใจอย่างเดียวในความเป็นจริงมันมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิตมาเกิดร่วมด้วยอย่างความรู้สึกสุขทุกข์นี่ไม่ใช่ใจหรอกนะโมเมลเป็นใจไปก่อนเป็นส่วนของใจ กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวใจหรอกเป็นสังขารแล้วก็โ ม, มเมลไปก่อนวันนี้เราดูใจของตัวเองมันเป็นกุศลเป็นอกุศล น, นเป็นสุขเป็นทุกข์นอนุโลมเอาไก่อนนะเรียนอย่างนี้เอาง่ายง่ายก่อนนะต่อไปก็ค่อยทะลุลงไปทะลุร่างกายเข้าไปเห็นรูปทะลุใจเข้าไปก็กระจายออกไปอันนี้จิตนะอันนี้เจตสิกเจตสิกก็มีหลายชนิดอันนี้เวทนาอันนี้สัญญา น, นี้สังขารมี3แบบ นะไม่เห็นเองนะมันเห็นเองรู้เองไม่ต้องตกใจวันหนึ่งก็เห็นมีท่านที่เรียนอภิธรรมนี่ท่านนี้นะนะองค์ที่ท่านใส่แว่นตานะไม่ใช่ท่านจันกริดนะ <c oughs> อยองท่านเรียนท่านบอกว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะมันไม่ตรงภาษาอภิธรรมนะแต่สภาวะเนี่ยมันตรงกันนะนั้นที่พวกเราภาวนาอยู่ทุกวันนี้ที่เราหัดทําวิปัสสนาอยู่ทุกวันเนี้ยจริงๆเราเรียนอภิธรรมอยู่ แต่เราเรียนอรพิธรรมในภาคปฏิบัติเราไม่ได้เรียนอรพิธรรมในภาคทฤษฎีอรพิธรรมในจะสอนให้เราเห็นเลยมีแต่รูปธรรมนามธรรมานะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเห็นไหมเราเรียนลงมาในกาในใจเนี่ยเรียนอรพิธรรมอยู่นะหรือเราเรียนแล้วเราเห็นการทํางานของจิตใจที่จะปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาเนะนี่ก็เป็นอรพิธรรมนะม เ, นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอะไรต่ออะไร น, นะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเพราะฉั้นเราอย่าไปตกใจนะ ใครเขาพูดเราฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเรารู้สึกกายรู้สึกใจไว้ก่อนเราความรู้สึกนะเราหัดรู้สึกในกายรู้สึกในใจแต่ต่อไปเราฝึกให้ใจตั้งมั่นนะฝึกสมาธิฝึกให้ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเรามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือความหยุดนิ่งของกายของใจนะมีสตินะรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันหยุดนิ่งก็ได้นะ ของกายของใจเช่นกายมันนิ่งก็รู้สึกกายมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตมันนิ่งก็รู้สึกจิตมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกเนี้ยหน้าที่รู้อันนี้นัหน้าที่ของสตินะเครื่องมือที่จะเจริญตัญญาตัวที่สองที่เราฝึกนะคือสมาธิวิธีฝึกสมาธิอย่างง่ายที่สุดเลยนะหาลมกรรมาฐานสักอันหนึ่งมาทําหาลมกรรมาฐานมาสักอันหนึ่งนะจะพุโทโธ ก, ก็ได้นะจะรู้ลมหายใจ จะรู้ท้องผ่องยุบก็ได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะพอเรามีอารมณ์กรรมฐานมาอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตไว้บางคนคิดมากนะบอกจะไม่เรียนเรื่องจิตไม่เรียนเรื่องจิตไม่ได้การเรียนเรื่องจิตเนี่ยจะทําให้เราเกิดสมาธิดะงนั้นบทเรียนบทเรียนที่หนึ่งของพระพุทธเจ้านะี่ยชื่อศีลสิกขาเรียนแล้วเราได้ศีลขึ้นมาบทเรียนที่สองชื่อจิตศิกขาเรียนแล้วจะได้สมาธิ บทเรียนที่3ชื่อปัญญาศิกขาเรียนเราจะได้ปัญญาเราชอบไปพูดถึงผลชอบไปพูดคำว่าศีลสมาธิปัญญาฝึกศีลสมาธิปัญญาพูดเลื่อนลอยไปนะที่เราต้องเรียนที่เราต้องฝึกนะคือเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องปัญญาวิธีเจริญปัญญานะแล้วสิ่งที่จะได้มาคือศีลสมาธิปัญญาทนะังข์นั้นไม่ใช่ไปฝึกศีลสมาธิปัญญานะต้องเรียนนะเรียนว่าทํายังไงมีศีลเนี่ย ศีลผิดขึ้นมาได้เพราะกิเลส ช, ชั่วยหยาบครอบงำราคะโทสะแรงๆครอบงำจิตใจได้นะถ้าเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจราคะโทสะโมห oh ะครอบงำจิตใจไม่ได้เนี่ยไม่ทําผิดศีลหรอกนะแล้วก็แต่ถ้ายังภาวนายังไม่เก่งพอราคะโทสะโมห oh ะครอบงำใจได้ตรงเนี้ต้องอดทนอดกลั้นตั้งใจงดเม้นเลยนะถึงกิเลสจะครอบงำเราก็ไม่ยอมทําผิดทางกายทางวาจาไม่ไปร่วงเกินคนอื่นนี่เรียกว่ามีศีล น, นะ ต้อเรียนนะศีลมีตั้งหลายแบบนะี่ยศีลมีตั้ง4ี่อย่างเราเอาศีลห้าให้ได้ก่อนนะอยังไงก็ตั้งใจรักษาศีล5้าไวนะ้ส่วนการเรียนเรื่องจิตเนี่ยไม่ยากอะไรนะห า, ารมกรรมฐานมาหนึ่งแล้วสังเกตจิตไปพุโทโธแล้วสังเกตจิตรู้ลมหายใจแล้วสังเกตจิตนะดูท้องฟองยุบแล้วสังเกตจิตรู้อะไรเป็นหลักรู้จิตเป็นหลักรู้อารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็คกราวนะ์ใช้ดูจิตเป็นหลักนะ แม้ที่ดูจิตดูจิตเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะได้คือสมาธินะยังไม่ถึงขั้นปัญญานะดูจิตให้เกิดปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันต้องแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกเจตสิกอะไรออกไปน่นจนกระทั่งเห็นวิธีการทํางานของจิตเห็นปฏิจจสมบัตเป็นอะไรพวกนั้นถึงจะเป็นเรื่องว่าดูจิตจริงๆนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตจิตก่อนพุทโธพุทโธจิตนี้ไปรู้ทันหายใจเข้าหายใจออกจิตนี้ไปรู้ทัน ดูท้องพองยุบจิตหนีไปรู้ทันยืนเดินนั่งนอนอยู่รู้การยืนการเดินการนั่งการนอนจิตหนีไปเรารู้ทันให้คอยรู้ทันจิตอย่างนี้บ่อยๆนะพอเรารู้ทันจิตที่มันหนีไปจิตที่มันหลงไปจิตที่มันไหลไปซึ่งหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกนะจิตมาออกนอกแล้วมันลืมตัวเองไปสังเกตดูจิตเราจะลืมตัวเองตลอดสวดมน์นะลองสวดมน์บางคนใช้การสวดมน์เป็นวิหารธรรมก็ได้นะเราหั่นสมาธมพุทโธยังไม่ทันจะพักขวาวเลยจิตหนีไปแล้วนะ ส่วนเจาะๆก็คือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่ก็คือส่วนมนั่นแหละงั้นเราสังเกตที่จิตงั้นพุโทโธพุธโทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันนะหัดสังเกตจิตที่หลงไปจิตที่หลงไ ป, จ, งไปจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ลืมตัวเองในปัจจุบันลืมอารมณ์กรรมฐานที่กําลังทําอยู่นะจะลืมตลอดนะรู้สึกได้แวบๆเดี๋ยวก็ลืมไปหัดอย่างนี้เรื่อยนะต่อไปพอจิตไหลปุ๊บมันจะรู้สึกแลมันจะตั้งมั่นขึ้นมาก็ตั้งได้ทีเรแวบเดียว นะเรียกว่ามีคณิกะสมาธิตั้งได้ทีละนิดเดียวแล้วไหลอีกไหลอีกรู้อีกก็จะตั้งได้อีกไหลอีกรู้อีกก็ตั้งได้อีกพอรู้ถีทีนั้นก็ตั้งทีทีขึ้นมาตั้งได้บ่อยๆ่อยพอมันตั้งถี่ยิบขึ้นมามนจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยนะจะรู้สึกเหมือนกับต่อเนื่องจริงๆไม่ต่อเนื่องจริงๆเกิดดับตลอดเวลานะเนื้อหัาอย่างนี้นะไม่ยากอะไรเราตั้งใจให้เด็ดเดียวแต่ไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อบังคับให้จิตนิ่งปรับนิดนึง พวกเราหลายคนภาวนามานานไม่ได้ผลเนะช่นไปรู้ลมหายใจแนละ้วก็ไปบังคับจิตให้สงบไปท่องพุทโธก็ไปบังคับให้จิตสงบไปดูพองยุกก็ให้จิตไปแนบนิ่งสงบอยู่กับท้องไปเดินจงกรมให้จิตไปแนบไปนิ่งไปสงบอยู่กับเท้าอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่นี้ไม่ได้ทําให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นแต่ทําให้เกิดความสุขความสงบเท่านั้นเองนะสิ่งที่เราต้องการฝึกขึ้นมานะคือความตั้งมั่นความสงบเอาไว้ใช้พักผ่อน คนไหนทําได้ทําทําแล้วดีไหมดีมีประโยชน์ไหมมีถ้าจิตได้รับความสงบเป็นครั้งเป็นคราวนะเช่นเราพุโทโธจิตสงบอยู่กับพุโทโธหายใจจิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบจิตสงบอยู่กับท้องเราจะมีแรงจิตใจจะมีเรี่ยวมีแรงแต่ยังเดินปัญญาไม่ได้ต้องฝึกให้มีจิตอีกชนิดหนึ่งคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะงั้นเราฝึกนะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเป็นคนดูทุกอย่างที่เกิดขึ้น หัดดูเช่นพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตรงที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะแต่ถ้าจิตไหลไปจิตส่งออกนอกไปเนี่ยจิตจะไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะเพราะเราฝึกนะถ้าจิตหลงไปเรารู้จิตหลงไปเรารู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตหลงไปคิดถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะเมื่อนั้นจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะรู้กับคิดเนี่ยตรงข้ามกัน เมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่คิดเมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้นะจะกลับข้างกันแต่ว่าเราต้องคิดไหมต้องคิดเพราะธรรมชาติของจิตนั้นต้องคิดยิ่งแต่พอคิดแล้วเรารู้ทันกระแสะความคิดจะขาดลงไปเกิดความรู้สึกขึ้นมาแวบบหนึ่งนะเดี๋ยวไม่กี่คิดอีกรู้อีกนะก็ขาดนะก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาหัดรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆในที่สุดมันจะเห็นว่าในทุกๆปรากฏการณ์นี้มีตัวร่วมอยู่ตัวหนึ่ง ในทุกๆปรากฏการ์นะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวก็เป็นปรากฏการ์อันนึงร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นปรากฏการ์ร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เป็นปรากฏการ์จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เป็นปรากฏการ์จิตใจโลภโกรธหลงนี่เป็นปรากฏการ์จิตใจสงบจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจแอบไปคิดจิตใจแอบไปเพ่งทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการ์แต่ละชนิดแต่ละชนิด ถ้าพูดให้ดูน่ากลัวนะก็เนี่ยแหละคือภูมิละ่ะพบภูมิต่างพบต่างๆพบย่อยๆย่อย ๆ, ๆนะขณะนี้จิตมีความกลัวนะี่เป็นพบของสัตว์นรกขณะนี้จิตมีความโลภเป็นพบของของเปรตอะไรเงี้ยนะเป็นพบย่อยๆในใจเราเนี่ยแต่ละพบแต่ละพบก็คือปรากฏการณ์อันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเราจะพบนะถ้าเราฝึกหัดรู้หัดดูเรื่อยๆเราจะพบว่าในทุกๆปรากฏการณ์นั้นมีตัวร่วมคือมีการรับรู้อยู่มีตัวผู้รู้อยู่นะ ความโกรธเกิดขึ้นเห็นไหมมันจะมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนรู้ความโกรธความโลภเกิดขึ้นมีจิตอีกคนหนึ่งเป็นคนรู้ว่ามีความโลภเกิดขึ้นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนมีจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะนี่เราฝึกอย่างนี้นะเราจะจับเอาตัวร่วมของทุ ก, <IS> ทกๆปรากฏการ์ออกมาได้ตัวร่วมของทุกปรากฏการ์นี้ก็คือตัวจิตนั่นเองจิตนี่แหละเป็นใหญ่เห็นไหมอยู่ในที่ทุกที่เลยอยู่ในทุกปรากฏการ์เลยจิตนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้า เป็นหัวหน้าหมายความว่าไงถ้าจิตดีนะมันก็เป็นกุศลนะจิตชั่วมันก็เป็นอกุศลจิตนี่แหละสุขจิตนี่แหละทุกข์นะจิตนี่แหละเป็นตัวรู้นะจิตเป็นผู้กระทํากรรมนะกระทำกรรมแล้วกายวาจามก็ทําตามนะจิตเป็นผู้เก็บสะสมวิบากกรรมเอาไว้จิตเป็นผู้รับผลของกรรมสืบเนื่องไปจิตไปสร้างพบสร้างชาติต่อได้อีกนะสร้างขันห้าต่อได้อีกนะแล้ค่อยฝึกนะค่อยฝึกไป กระทั้งเรารู้ตัวจิตขึ้นมาจิตนี้เป็นตัวร่วมในทุกๆปรากฏการในขณะที่โกรธมีจิตไหมในขณะที่โกรธมีจิตไหมมีถ้าไม่มีจิตใครจะโกรธอ่ะจิตมันโกรธต่างหากในขณะที่โลภมีจิตไหมมีใช่ไหมในขณะที่หลงมีจิตไหมก็มีในขณะที่มีความสุขมีจิตไหมในขณะที่ทุกข์ก็มีจิตใช่ไหมในขณะที่หายใจออกหายใจเข้าก็ยังมีจิตอยู่และมีกายอยู่ก็มีจิตอยู่เรื่อยๆ นั้นจิต น, นี่เป็นตัวร่วมในทุกๆสถานการณ์เลยนะเราหัดดูนะสถานการณ์ น, น, นี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ๋อจิตมันเป็นคนรู้อันนี้มาแล้วก็ไปอ๋อจิตมันเป็นคนรู้ฝึกนี้นะเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันจะเห็นว่าทุกๆปรากฏการณ์ที่ผ่านมาผ่านไปนั้นถ้ามีเหตุมันก็มาถ้าไม่มีเหตุมันไม่มาหรอกหรือมีเหตุมันก็มาถ้าหมดเหตุมันก็ไปทุกอย่างเกิดจากเหตุหมดเลยจิตเป็นแค่คนรู้จิตทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการ์ นี่เราทําคล้ายๆงานวิจัยนะเนี่ยเรียกว่าทำมะวิจัยเลยวิจัยธรรมะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายไหลามาไหลไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะทั้งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งที่เป็นนามธรรมไหลามาไหลไปตลอดจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเมื่อจิตทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการมันจะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างนะเห็นว่าความโกรธก็อยู่ชั่วคราวมีเหตุก็เกิดมวเหตุก็ดัดบบังคับไม่ได้นะห้ามไม่ได้ไล่ก็ไม่ไป ความโลภความหลงความสุขความทุกข์ทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวไปหมดเลยนี่เรียกว่าเราเดินปัญญานะนเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเพราะเรามีจิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แต่ต้องระวังถ้าฝึกให้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วต้องระวังอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้จะเป็นอันขาดถ้าเพ่งตัวผู้รู้แนะจิตจะนิ่งแล้วไม่เดินปัญญาต่อนะเรามีแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจของตัวเองแค่รู้สึกถึงความมีอยู่นะอย่าเพ่งมัน รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายนั้นไหลผ่านหน้าเราไปเหมือนเรายืนอยู่บนบกเห็นของลอยน้ํามาเรายังรู้สึกถึงความมีอยู่ของตัวเองที่อยู่บนบกนะแต่ว่าเห็นธรรมชาติที่ไหลผ่านไปผ่านไปจะเห็นทันทีเลยธรรมชาติที่ผ่านไปซึ่งซึ่งหน้านั้นไม่มีเราสักหน่อยไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยความโกรธไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความโลภไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา สุขทุกข์อะไรไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเลยนะฝึกไปเรื่อยแล้วจะเห็นอีกตัวผู้รู้เองก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะไม่สืบเนื่องจริงหรอกนี่มันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมันก็เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์บ้างธรรมชาติที่คิดบ้างในที่สุดจะเห็นในขันห้าทั้งหมดนะทั้งปรากฏการณ์ทั้งหมดของขันห้าทั้งตัวจิตที่ไปรู้ปรากฏการณ์ตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนกันหมดไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะ ให้ฝึกไปนะงั้นขั้นแรกถือศีลไว้แล้วก็หัดรู้สึกตัวบ่อยๆหัดรู้สภาวะบ่อยๆสติจะได้เกิดหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปบ่อยๆจะได้มีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ประคล อ, องนะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของความมีผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการผ่านไปแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับกระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วดับเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอ้าไปทานข้าวนะวันนี้สอนยากไปไหมเนี่ย